คือกรรมฐ า, านเี่ยวที่เรียนมาสามิบเก้าวันไม่ใช่สาสบเก้าวันเท่านี้ก็เถรานได้ละหลายรูปประสบการณ์นัานนี้มาพอสมควรจะรู้สึกช้ำไม่จำนานเป็นปริยารอบรูปมากกก่าเก่าปริยาคือรอบรูปชำนานในด้านของภาวะที่สูขที่ทุกข์ที่รู้ที่หลงชำนานมากนิดเดียวแปบ๊บเดียวเอาไปมาจนไม่มีอะไรหละ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 เอากายไปต่อลองลู่ภาษาฝังนี้ว่าเอาแวเอแวเพื่อนมือสิบสี่จังหวะ1หนึ่งเนี่ยเอาแว่เอาแรูู้นั่นแหละตัวรู้ตัวนี่ไม่ใช่คำพูดมันเป็นการจำหมดเอาพิกมือสิบสี่จังหวะ1สิบสี่รู้ทนใจที่ถุดเลยวินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งพอดีพ อ, อดีก็พาเขาจำดูพาให้เขาจำดู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 ไม่มีผิดถ้าเห็นใหม่ก็ไม่คุ้นล่ะหลงหลงลืมลืมกันการเห็นตัวรูดตัวหลงเห็นกายเห็นใจเราที่มันมีอาการต่างๆคืนรู้หมดเลยรู้หมดรู้ครบรู้ท่วนรู้แช้งน้วยไม่ต้องสงสัยถ้ามีตัวรู้เข้าไปรู้งั้นเราเมาตาลองตาในสอนให้คนดูสมุนไพรพาเดินดูตน้นไม้ที่เป็นสมุนไพรในป่าดูที่แรกเขาบอกว่า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 ตรนี้แหละจะบ่งบอกเราเป็นบุญยังไงเป็นบาปยังไงมันจะบอกเราแล้มีอะไรบ้างที่จะมาชัดเจนอย่างนี้ใเนเรื่อการศึกษาแล้วก็ไม่ต้องรอเลยทันทีที่เราจเจริญสติปิกมือขึ้นก็รู้ได้ทันทียกมือขึ้นก็รู้ได้ทันทีไม่รอแม้แต่วินาทีหนึ่งกับวินาทีนึงเชี่ยวออกเชี่ยวเท่าไหร่ก็ไม่มีถ้ารู้นะ อันเดียวกันทันทีไม่ต้องรอไม่เหมือนเราทํางานทําการอะไรอื่นเราทางานอื่นโภเข้าปูกบันโกูกอ้อยโภคคลิกหรือทํางานเป็นราช ก, การเงินเดือนส0มสิบวันจะได้เงินมาวันทีต้องไม่พอใช่เช่จนชาวบ้านยากจนทางานวันนี้ใช่นี่วันก่อนไม่พอเพราะบันไม่มี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 ท่านโตกทัานใจเป็นเจ้าสรพัดฤทึกเหมือนกรรมฐานเลยทีเดียวในโลกนี้พระธรรมวันพระผู้มีพระเจ้าตัดไว้ดีจริงๆเป็นอากาลิกาธารทไม่มีกาลไม่มีเวลาอย่าอ่อนความหนุ่มความสาวมาอ้างอย่าเอานักบวดขรุขระมาอ้างอย่าเอาลทัทธิในการมาอ้างอย่าเอาวันเวลามาอ้างภาวะที่รู้ที่หลงหน่ะมม่อยู่กับเราอย่างนี้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 เคยไปช่วยอยู่ที่สลรัฐอเมริกาที่วอตตันม า, าวิไลวอตตันน่ะคนป่วยไปยืนสวดพระสวรต่างๆให้คนป่วยฟังเลือกล้องความรู้สึกเขาขึ้นมาคนป่วยคนใกล้ตายเนี่มันมืดแปดด้านเลยเราจึงไปสวดพระสูตรบางบทให้เขาได้ยินเลือกเขากับขึ้นมาก็ามีผลตอบสนองเกือบทุกหลย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 มีตั้งพระสงฆ์องค์เจ้าบูบาทศกบาิกาพุทธบริจัททั้งสี่เนี่ยไปทอดถอยอลไรเวีนใจเวียนใจรองตานะเพราะนั้นก็ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านที่เข้าสู่สุกตมันเป็นธรรมเนียของเราอยู่แล้วท่านมาที่ไม่ต้องแกงโอแกงใจอะไรคิดยากระมาดอะไรเหมือนกันพวกเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องคิดเรื่องกินเรื่อง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 วิธีที่ลูกก็มีอยู่แล้ว